พระธรรมเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่7เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าพัฒนาครูแม่แบบสู่ต้นแบบต่อไปตั้งใจสมาทานศีลศีลคือกฎรละเบียบ สินคือพวินัยสินคือกฎหมายสินคือการอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องมีกฎกติกาและกฎระเบียบถ้าหากว่าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรจะ ก, กระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกาอย่างไงก็ไม่มีไม่มีใครว่าอะไรถ้าหาว่าอยู่สองคนขึ้นไปแล้วต้องมีการนัดว่า เวลาไหนควรจะเจอกันเวลาไหนควรนอนเวลาไหนควรไปที่ไหนเวลาไหนควรทานอาหารถ้าสองคนนะถ้ามากกว่านั้นขึ้นมาอีกก็ยิ่งมีกฎกติกาเข้มงวดกวดขันเข้าไปอีกเออเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะนนี้นก็คือศีลให้รู้จักเอาไว้ว่าศีลคือกฎกติกาการอยู่ด้วยกันอย่างศีลข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าคิดฆ่ากัน ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันหลายคนถ้าคิดฆ่ากันนะพวกเราคิดดูสิว่าจะสารวจนวุ่นวายขนาดไหนไม่ระหว่างใครต่อใครเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยกันถ้าว่าไม่คิดฆ่ากันเป็นผู้มีศีล ต, ต่างคนต่างรักษากฎ ก, ฎกติกาอยู่ด้วยกันมากมายมากน้อยขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นถูกท่วนหน้ากันเพราอะไรเพราะไม่คิดฆ่ากันศีลข้อที่สองไม่คิดําโมยกัน ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันต่างคนต่างซื่อสัตย์ต่อกันไม่ขโมยกันพวกเราก็ร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้าถ้าว่ามีการคิดขโมยกันขึ้นมาหรือขโมยกันขึ้นมาพวกเราอย่าหวังเลยความสงบสุขจะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมนั้นยุคนั้นสมัยนั้นโลกในยุคนั้นถ้ามีการขโมยกันขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาไปมาเรียกค่าไทยต่างคนก็ต่างไปเรียก เอาลูกหลานของใครลูกสามีภรรยาของใครมาเรียกค่าไถ่พวกเราคิดดูสิความวุ่นวายจะเกิดขึ้นมามากขนาดไหนนี่แหละขโมยเออมันไม่ใช่ขโมยของเล็กน้อยนะขโมยของไม่มีราคาขโมยใบไม้ในสวนเขาเพียงใบเดียวเออใบไม้แห้งอีกต่างหากเราก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมเพราะของไม่มีราคาถ้าขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเขาไปเรียกค่าไถ่ด้วยซี้นี่ปัญหาเกิดแน่นอนถ้ามาเป็นมาเจอกับเราล่ะ แล้วไปเจอกับเขาล่ะเขาเราอันนี้ก็คือสินข้อที่สองข้อที่สมการเมสุมิษาจาราเวรามณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราเป็นล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สให้เขารพสิทธิ์ซึ่งซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีคร อ, อ, อบครัวสามีภรรยาลูกหลาน อันนี้คือศี่ข้อที่สาข้อที่สี่มุสาวาทาเวรามาณีอย่าไปโกหกต้มตุลหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุลหลอกลวงคนอื่นเขา เ, าเขียนกระดาษเข้าไปอรับรอง เ, อเป็นตัวเช็คเอาเงินเอาไปขึ้น เ, เงินไม่ได้เพราไรเพราะเช็คมันแดงไม่มีเงินในธนาคารอันนี้กับต้มเขาถ้าต้ม เ, เงินเป็นร้อย เออเป็นสิบยี่สิบาทเราก็ไม่เสียใจเท่าไหร่ถ้าเงินเป็นร้อยร้อยล้านขึ้นมาล่ะเป็นลมเออคล้ายๆว่าเป็นลมขึ้นมาเลยละ่ะเออทกใจอย่างมากเพราะถูกต้มต้ ม, ต, มตุนนี่แหละชอบคําว่าโกหกคํานี้ตอกหลอกลวงต้มตุนคํานี้น่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยนะพวกเราให้ฟังเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่ข่าวนู้นละ่ะแต่ข่าวเมื่อพระพุทธเจ้ายัางสงฆพระชนอยู่สองพันห้าร้ยหก สิปีให้หลังอสองพันกว่าปีพระพุทธองค์ตัดว่าท่านตรัสว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รรจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีฟังเอาไว้นะเขาบอกเขาว่ามันมีแต่ยุคนั้นแหละคนโกหกจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นนะอันนี้นข้อที่ข้อที่หสุราเมระยะมชพมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเมลยัย คัญชายาฝิ่นเฮโลอินอยาบ้ายามา้าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามหรือไม่มีชื่อก็ตามถ้าดื่มหรือเสพเข้าไปกินเข้าไปแล้วนะขาดสติเพราะมันไปทําให้สมองปั่นป่วนขาดสติในเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างคนขาดสติขาดการยับยัง้งจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้ จ, ดจละลาลาบประ ล, ะลวงในสามีภรรยาของใครก็ได้ จะโกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติพวกเราคิดดูสิว่าสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติมา 2,560 ปีให้หลังมีคุณค่ามีประโยชน์ไหมถ้าทุกคนมีคุณค่าเห็นคุณค่าประโยชน์ของสินแล้วก่อ น, นั่นะให้สํารวมระวังแต่บางคนก็บอกเอา้าจะให้เขารักษาสินทุกคนได้ยังไงเราจะไปคิดอย่างนั้นในเมื่อเราเห็นคุณค่าของศินแล้วนะ ข้าพเจ้าเนี่คนหนึ่งข้าพเจ้านับหนึ่งจะข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นคุณค่าข้าพเจ้าจะรักษาสินจะเคารพในกฎกติกาของสินข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งแล้วก็ต่างคนก็เออข้าพเจ้าเห็นคุณค่าเออข้าพเจ้าอีกหนึ่งหนึ่งเนบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกสองก็เป็นสี่ก็มากไปเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าให้คนอื่นรักษาตัวเองไม่รักษานนั้นแปลว่าไม่ได้ผิดแล้วนะ เมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วเราก็ต้องตั้งตัวตั้งหนึ่งจากข้าพเจ้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรารู้แล้วว่าศินของพระพุทธเจ้าที่เราจะรักษาหนึ่งคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเมื่อรู้แล้วเราเป็นสินคุ้มของโลกมาตอนนี้องไหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานนะโมตัสสะปะกวะโาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนะเนผูติงยันติตัสมาสีลังวิโสทายเอ่อคณะทายาิโยมวันนี้เมื่อพัสสงอรุมโมทนาหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมธนิยกถาในเมื่อได้กล่าวสัมโม ท, ทนิทันยกถาจบลงไปแล้ว แล้วก็พระสงฆ์เจ้าธิโมธนาให้พรเมื่อธิโมธนาให้พรแล้วจะมีหนังสือนะหนังสือเอ็มพีสามด้วยแล้วอาจจะมีพระเดี๋ยวนี้ศรัทธา ญ, ญาติโยมไปที่ไหนเห็นแต่เห็นพระเขาก็มาตกพระมาถวายหลวงพ่อเนี่มาจากนู่นมาจากจังหวัดสงขลานะั่นนะ่ะเป็นกําลังกําลังมานแครับหลวงพ่อได้พระมาเอ๊ เอาไปจะเก็บไว้ก็ไม่ใช่สิหลวงพ่อกอะไรเอามาแจกศรัทธาเจ้าโยมวันนี้จะเอามาแจกนะวันนี้นะเออมีทา่านมีทา่านหนังสือมีท่านพระด้วยวันนี้นะทั้งสองอย่างเพะนั้นผู้ใดจะเพิ่งกลับบ้านนะถ้ากลับไปว่าไปว่าสลาสิทธ์วันนี้นะ <c oughs> ในเมื่อพระสองนรโมธนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ท่านเจ้าคุณเป็นผู้ประพรมนะ้ำพระพุทธมนต์นะ เนี่ยวันนี้แหะเราโศวพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ปลอบพรมน้าพระพุทธมนต์นี่คือคือเรื่องงานของพวกเราวันนี้เป็นวันที่เจเมษายนพุทธศักราช2560วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งคณะพวกเราทุกหมู่เราไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลพระสง์ก็มีส่วนร่วม ที่มารวมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพราะพอเราเห็นคุณประโยชน์ในการศึกษาเพราะนั้นโรงเรียนบ้านตงเมืองหรือโรงเรียนดวงเมืองวิทยาแห่งนี้หลวงพ่อทราบข่าวมาว่าเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอุบภ า, าปีตั้งแต่เก่าแก่แต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็รู้สึกว่าการบูรณะ เออรือว่าการพัฒนารู้สึกว่าจะอ่อนด้อยไปเพราะนั้นพวกคนณะผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเขตอำเภอกุภพวาปีก็เห็นว่าน่าจะพัฒนาหรือว่าจะปรณะออขึ้นยกระดับขึ้นมาใหม่เพราะนั้นวันนี้จึงมีการทอดผ้าป่าสามักคีเพื่อหาทุนเพื่อการศึกษาสำหรับลูกหลานของพวกเรา หลวงพ่อกันน่ยอยู่ห่างไกลจากอำเภอภูมพภาวะปีนุ่นอยู่เขตจุดเขตติดริมแม่น้ำโขงนั่นนะ่ะอำเภอนายวงนั่นนะ่กะก็ได้ด้นด้านมามาร่วมรวมกันเพราะเห็นคุณค่าของการศึกษาเพราะนั้นวันนี้ก็เรายังไม่รู้จักจอดว่ายอดนี่เท่าไหร่แต่ก็ฟังฟังดูแล้วก็อบอุ่นพอสมควรพอยุคนี้สมัยนี้ในยุค บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนพอสมควรหลวงพ่อได้ยินอยอดเ ข, าขานะ่าๆนะยังไม่ได้ยอดสุดทธินะก็รู้สึกว่าพอสมควรแต่ถึงยังไงก็ตามก็ขอเมื่อหลวงพ่อเองก็ขอฝากไว้กับผ อ, อและครูโรงเรียนประจําโรงเรียนจงเมืองวิทยาของเรานี่แหละ พ่อเรามอบความไว้วางใจจึงได้มอบเงินให้เพื่อการศึกษาพัฒนาอ า, อาคารหรือพัฒนาการศึกษาอันไหนที่เกิดประโยชน์นะก็ขอให้พวกเราที่อยู่ในหน้างานอยู่ในโรงเรียนเนี่ยช่วยๆกันคิดหลวงพ่อไปในสถานที่ใดหลวงพ่อได้ยินโรงเรียนต่างๆที่หลวงพ่อได้ไปพบไปเจอ บอกว่านักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกหลวงพ่อก็มาคิดยูว่าเอครูโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้นอยู่กับเด็กนักเรียนตั้งแต่8นาฬิกาจนถึงบ่ายสามสี่โมงไม่รู้เหลือว่าเด็กนักเรียนของตอนเองคนไหนอ่านออกหรืออ่านไม่ออกหรือว่าครูกับนักเรียนเท่าเท่ากันหรือว่าครูกับนักเรียนเท่าเท่ากันถ้าว่าครูกับนักเรียนเท่าเกันเนี่ย มันยมงจะไม่รู้ว่านักเรียนของตนเองอ่านหนังสือไม่ออกนะ่ะนี่แหละขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์แต่แต่โรงเรียนโรงเมืองของเรานี่หลวงพ่อไม่ได้ว่าเพราะมัอยู่ใกล้เกินไปหลวงพ่อว่าโรงเรียนอื่นๆ น, นะแต่ถ้าขอให้โรงเรียนโรงเมืองของพวกเราให้ดูดูลุงพ่อว่าถ้านักเรียนคนใดอ่านหนังสือไม่ออกโคโรงเรียนก็รู้ แล้วก็น่าจะจับมานั่งเขา่านั่งจับเข่าคุยเรียนคนนั้นเลยเอ่อแล้วก็ให้มอบให้ครูบาอาจารย์โคนไหนที่ใจดีดนะใจเย็นไปพูดกวยกับเด็กกลุ่มนั้นนะ่ะเออแล้วเอาสอนอย่างนี้จับมือเขียนอย่างนี้ อ, อ, อย่างน้อยก็อ่านออกเขียนได้นะเออถ้าออกอ่านออกเอออ่านออกเขียนได้ เด็กนักเรียนก็จะได้ความรู้ก้าวหน้าไปอย่างอื่นถ้าว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะอย่าหวังเลยคณิตศาสตร์จะฉลาดจะรู้เรื่องตัวเลขเป็นไปไม่ได้อีกเพราะมันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องอ่านออกเขียนได้ตัวนี้ละ่ะมันก้าวต่อไปก็คือเรื่องฟิสิกอื่นๆก็ต้องตามมาสมมุติหลวงพ่อเคยสมมุตมิว่าน้ว่านะแต่ว่าหมู หมูหนึ่งตัวมีสี่ขาไก่สองไก่หนึ่งตัวมีสองขาถ้าหากว่าไก่หมูตัวหนึ่งไก่สองตัวมันจะมีกี่ขาเนะี่ยเพียงแค่นี้เราไมันอ่านหนังสือไม่ออกมันจะบวกได้อย่างไงใช่ไหมละ่ะพราะอ่านหนังสือไม่ออกเนะี่ยเออมันจะลบ ก, กี่ขาได้อย่างไรทีนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอ่านออกคํานี้นะขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ ที่พวกเรามานีน่พวกเราเห็นเห็นคุณค่าของการศึกษาเพราะนั้นจึงได้มาร่วมมารวมกันอย่างนี้แหละถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนก็เสียสละมาเพื่อหาคุณให้กับโรงเรียนของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนหลวงพ่อก็คิดว่า โอ้เด็กบ้านนอกเด็กในเด็กในเมืองเอพราะเด็กในเมืองเขาฉเฉลียวฉลาดพรได้รับการศึกษาในเรื่องต่างๆเด็กบ้านเด็กบ้านนอกของพราะเรามัน อ, อยู่ในชนบทแต่หลวงพ่อกรับคิดใหม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้พอเห็นเด็กในชนบทนี่โอ้โหเฉลียวฉลาดมากแล้วก็ไม่ไม่แพ้เด็กในเมืองอีกต่างหากทุกวันนี้เพอเพอรเด็กบ้านเด็กบ้านนอกนี่เอ้ สอบยังได้ที่หนึ่งเก่งกว่าเด็กในเมืองอีกต่างหากสรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์หลวงพ่อเน้นไปทางครูบาอาจารย์ที่ดถ้าหาว่าครูบาอาจารย์ให้ความใส่ใจสนใจกับลูกศิษย์ของตอนเองเด็กของตอนเองก็ต้องฉเฉลียวฉลาดไม่เป็นอย่างอื่นถ้าหาว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้ใส่ใจกับลูกหลานหรือเด็กนักเรียนของตอนเองเออหลวงพ่อมั่นใจเลยว่าเด็กของพวกเราเนี่ จะต้องโง่เง่าเต่าตูดแน่ๆน่นีแน่แหละเห็นไหมโรงเรียนอุดรพิทยานูกูนโรงเรียนไปจําจังหวัดอุดรของเราลูกหลานใครๆก็แย่งกันเข้าเด็กไม่ได้ได้เข้าไปร้องโ h o ร้องให้เอหลงพ่อก็เลยบอกเฮ้ยสมัยเป็นเด็กนักเรียนขี้เกียจอ่านหนังสือขี้เกียจศึกษาแล้วอย่ากนั้นก็อยากจะเข้าไปโรงเรียนดีๆจะเข้าได้ยังไงเพราะตัวเองขี้เกียจไม่ต้องขยันสิ หลวงพ่อบอกนะแต่หลวงพ่อก็ว่าไปอย่างนั้นและว่าแต่นี่เนะ่โรงเรียนอุดรพิษเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสอบเข้าสอบเข้าแพทย์ศรีนครินทร์ขอนแก่นยกชั้นนะเพราะนั้นโรงเรียนอุดรพิษของเราเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะเพราะนั้นโรงเรียนโรงเรียนโรงเมืองวิทยาของเราเนี่ยก็หลวงพ่อเองก็อยากจะให้พัฒนาเคียงคู่ไปเหมือนกันนะ ถ้าเราใส่ใจสนใจหลงพ้อมั่นใจและเกินว่าโรงเรียนของเรานี่ยไม่แพ้ใครเออถ้าเราครูบาอาจารย์สนใจนะถ้าว่าครูบาอาจารย์ไม่สนใจทุก อ, อาจารย์ครูบาอาจารย์หมดความกระตือรือร้นนะเออมือหความกระตือรือร้นแล้วก็หมดค่าเหมือนกันนะเอ่อเพราะอะเพราะไม่ได้ใส่การไม่ได้ใส่ใจในการศึกษาเออไม่ได้ใส่ไม่ได้พ้นคว้าหาวิชาความรู้ เข้ามาสอนเด็กนะหลวงพ่อเคยพูดกับครูบาอาจารย์นะเพราะหลวงพ่อเกี่ยวกับการศึกษาเนะืลูกหลานนะเอ๊ะทาไมหลวงพ่อจึงมาพูดเรื่องการเฉพาะว่าหลวพ่อให้การศึกษาโรงเรียนไม่รู้ว่ากี่โรงเรียนนะเออมันจนนับไม่หลงจนนับก็จะไม่ครบนั่นแหละเดี๋ยวนี้ที่ให้โรงเรียนนะทั้งโรงพยาบาลด้วยเรียนโรงเรียนด้วยเครื่องมือแพทย์ด้วยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงว่าใส่ใจในการศึกษาของลูกหลานนะหลวงพ่อจึง บอกว่าครูบาอาจารย์เด็กนักพวกจบมาจากมหาวิทยาลัยใหม่ถ้าเป็นครูช่วยสอนน่ะเอาเด็กครูครูช่วยสอนนั่นแหล ะ, ะเข้าไปสอนเด็กนักเรียนพวกวัยมันใกล้เคียงกันจากนั้นเด็กกับนักเรียนครูกับนักเรียนอายุมันใกล้กันมันพูดกันรู้เรื่องแล้วก็สอนครูใหญ่ที่หมด หมดไฟนั่นน่ะครูคนครูคที่หมดไฟน่ะหมดน้ำยา น, ะนะาพพ้านน่ะฟอบโคตไปด้วยกับ น, น้ไลายหยดไปด้วยน่ะเอาไว้ห่างๆก่อนเอามือไขว้หลังไปอยู่ทางห่างน่ะให้เด็กให้ครูน่ะครูน้อยน่ะไปสอนกันแล้วมันผลมันออกมาอย่างไงถ้ามันผลออกมาดีครูใหญ่ทั้งหลายผู้ผู้เท่าทั้งหลายก็เออใช่เราก็สนับฉนน อ, อย่างนั้นเมื่อจริงจะถูก ไม่ใช่ว่าครูใหญ่ครูอายุแกมากๆแล้ไปสอนเด็กมันต่างวัยมันต่างกันเด็กก็ไม่เข้าใจเพราะใ น, นสุดก็เลยการศึกษาเมืองไทยก็เลยอ่อนด่อยไปเรื่อยๆนี่แหละสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับครูบาอาจารย์นะอันนี้เป็นความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นพระปลาพระดงนะแต่หลวงพ่อก็ใฝ่ในการศึ ก, ศกษาแนละฝ่ายใฝ่ในการรู้เรื่องของการสอน แต่บางคนนะ่ะครูบาอาจารย์บางคนนะหมดไฟยังไม่แล้วนะยังกินเหล้าอีกต่างหากเอเออันนั้นมันไม่ใช่เรื่องถ้าครูไหนก็ตามถ้าชอบกินเหล้านะไม่ควรจะว่าให้มาสอนเด็กนะเป็นตัวอย่างที่เด็กที่ไม่ดีอีกต่างหากโน่นให้ไปกีดย่างนะให้ไปไถนานะครูประเภทอย่างนั้นนะเอเอพวกเราพอใจไหม พวกเราที่เป็นพ่อค้าวานิชทั้งหลายเสียภาษีออกมาแล้ว เ, เพื่อจะให้ครูครูบาอาจารย์เป็นคนดีไม่ใช่เหรอสอนลูกสอนหลานของพวกเราไม่ใช่ว่าพวกเราเสียภาษีให้แล้วก็ครูมากระสอนแบบสังกตายกินเหล้าไปด้วยอสอนไม่รู้เรื่องอพวกเราต้องการไหมอย่างนั้นนะ่ะหลวงพ่อไม่ต้องการนะหงพ่อสนับสนุนหลวงพ่อองค์หนึ่งนะเป็นพระ อ, องค์หนึ่งไม่สนับสนุนเลยจะให้ทาอย่างนั้นนะ่ะ หลวงพ่อเคยพูดว่านะฟังฟังนะหลวงพ่อเคยพูดว่านะทุกระบบ ก, การอย่างวัดของหลวงพ่อก็เหมือนกันถ้าพระองค์ไหนไม่ดีไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในสีลาจารวัดหลวงพ่อจะไล่หนีออกจากวัดเลยนะไล่ออกจากเลยไล่ศึกไปเลยเพราะท่านทำตัวไม่ได้เป็นพระที่ดีไม่ได้ไม่ควรจะมาอยู่เพราะวัดวัด เ, เป็นสานัก <Jub ilee> เป็นคนให้มาเป็นคนเป็นพระให้คนมากราบมาไหว้เคารพสักการะเออค่าๆว่าเป็นพระในพุทธศาสนาเขาต้องกราบต้องไหว้่ถ้าหากว่าคนที่เร็วๆจะกราบไหว้ได้ยังไงจะมากราบได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อว่าครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างของลูกของหลานเออต้องเป็นคนดีเป็นแม่แบบของลูกของหลานถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ผู้ใด หลวงพ่อบอกแล้วสิถ้าว่าผู้บาอาจารย์ผู้ใดไม่อยู่ในกฎระเบียบไม่อยู่ในกฎทกฎหมายไม่อยู่ในกฎระเบียบในการเรีย น, นการสอนของเด็กนักเรียนแปลว่าใช้ไม่ได้ก็ไม่ควรจะอยู่คพือะไรเพราะว่าไม่ใจไม่อยู่ในการการศึกษาการศึกษาของประเทศชาติจะไปได้อย่างไรสิเพราะว่าไม่สอนเด็กนักเรียนน นี่แหละลวงข้อบอกว่าถ้าหากว่าในร่างกายของเราคิดดูสิในร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจนจดเท้าแข้งขาตีนมือของพวกเราเนี่ถ้าหากว่าขาของเราเป็นมะเร็งสมมติว่านะขาของเราเป็นมะเร็งเราจะทำยังไงเรารักรักขาเราไหมเราต้องรักรักขาเราแล้วจะทำยังไงถ้าเอาไว้ มะเร็งมันก็จะลกลามเข้ามาสู่ร่างกายเราก็ต้องตายแต่ถ้าว่าถึงจะรักขนาดไหนก็ตามเราต้องตัดทิ้งใช่ไหมละ่ะต้องตัดทิ้งต้องตัดขาทิ้งเพราะอะไรเพราะมันเป็นมะเร็งนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่วงการไหนก็ตามถ้าหากว่าคนในวงการนั้นเป็นคนไม่ดีถ้าเอาไว้มันก็เป็นพิษเป็นภยัยกับกลุ่มของเหล่านี่หลวงพ่อโพดอย่างนั้นนะ ในวัดของหลวงพ่อเหมือนกันถ้าพระองค์ไหนไม่ดีหลวงพ่อจะจัดเลยนะจัดการไปออกไปเป็นคราวาสซะเพราะอันนี้เป็นพระมันต้องอยู่ในกฎระเบียบของพระถ้าคุณถ้าท่านไม่อยู่ในกฎระเบียบของพระแปลว่าท่านไม่เป็นพระท่านต้องออกไปเป็นคราวาสซะ เ, เพราะเมืองไทยนะเพื้นแผ่นดินไทยนะมันไม่แคบเหมือนใบมะขามนะมันกว้างขวางท่านออกไปอยู่ที่ใดก็ได้ แต่อยมาอยู่จุดนี้เถอะนะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อให้ความเห็นอย่างนั้นนะคณะทตา ญ, ญาติโยมอาจจะรุนแรงไปสักหน่อยนะแต่ก็ให้พวกเราเป็นข้อคิดนะถึงจะแรงยังไงก็เป็นข้อคิดแนวความคิดนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้นะหลวงพ่อได้มาในจุดนี้ได้มาหาทุนให้กับครูบาอาจารย์เพื่อจะให้ครูบาอาจารย์โรงเรียนของเราเนี่ยโรงเรียนโรงเมืองวิทยาของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้า เทียบเท่ากับโร ง, โรงเรียนอื่นเขาเสียงไหนที่มันไม่ดีต่ตรงไหนที่ทวดจะพัฒ น, นาอาคารก็ดีห้องสมุดก็ดีเอ่อหรือว่าที่ลูกพ่อได้ยินก็คือเอ่ออาคารสำหรับเด็กเล็กความปลอดภัยครับสำหรับเด็กเล็กที่มาฝากเอาไว้พ่อแม่มอบความไว้วางใจกับครูเอ่อครูก็ต้องดูแลอาคารก็ต้องเอ่อเป็นที่สะดวกสบาย กันยุงทุกวันนี้มันมียุงหลงยุงลายทำให้เด็กไข้เลือดออกอีกต่างหากเพราะนั้นครูบาอาจารย์ต้องใส่ใจถ้าครูบาอาจาราย์ใส่ใจทุกคนตั้งแต่ฝอ อ, อจนถึงขูน้อยูใหญ่อยู่ในโรงเรียนหลวงพ่อว่าพวกชาวบ้านของเขาพ่อแม่ของเขาก็มอบความไว้วางใจกับครูบาอาจารย์ต่อไปการจะพัฒนาสิ่งไหน จากเรียกร้องสิ่งไหนจากพี่น้องชาวบ้านเขาคงจะ ย, ยินดีนะอันนี้ก็คือโรงเรียนของเรานะคณะาทายาิโยมแล้วก็พร้อมกันพวกเราอย่าลืมสินลืมธทำนะ อ, ะอย่าลืมสินลืมทมเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าวควรจะสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยควรจะมีสินอยูที่หลวงพ่อได้พูดในขวดมือเช้าเลยล่ะเรื่องสินห้านั่นน ะ, ะถูกเมื่อกี้เนี่ยเรื่องสินห้าน เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราใจใจเขาแล้วก็พร้อมกันให้คิดข้ามซดไปอีกนะเราเกิดมาแล้วเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดตายแล้วไม่สูญ น, นั่นเอในหลัข้ามซดไปอีกนะตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาให้พวกเราศึกษาจุดนี้นะเไม่ใช่เราจะรู้ได้ทั้งหมดไม่ใช่เราต้องศึกษาพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทธรว่าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญน่นะให้นั่งภาวนาเนอะ เมื่อจิตใจนั่งจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วนะจิตใจเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันนะเออหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับรถกับคนขับรถนะร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถเนะ้อพี่น้องลูกหลานนะเน้อแต่ร่างกายแต่ต า, ตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟแน่แต่โซเฟอร์นะไม่ตายนะออกจากร่างแนละเป็นกาเกิดที่อื่นอีกเนะ้อ นี่แหละหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้ใหพวกเราศึกษาในจุดนี้นะและก็พร้อมกันเมื่อพระสงฆ์รณรงคธนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อจะแจก MP3 และหนังสือเป็นเอาไปอ่านเอาไปศึกษาพอธรรมะเราจะต้องเรียนรู้นะวิธรรมะผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น บรนเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังอาจฟังธรรมจะได้รับความสงบไรับความพปงสอันนี้ก็เหมือนกันนะหนังสือและ m อ3มนหะลวงพ่อจะมอบให้นะกเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้คณะสัทยา ญ, ญาิโยมทุกท่านนะออยอดภาพ ป, ป่าของพวกเราในวันนี้นะทั้งหมดได้สองล้านสแสน 37,184 บาทห้าสิบสตังแต่ว่าผู้จัดงานนะจัดงานเนี่ยจัดงานการก่อสร้างเ่ราว่าเรื่องก่อสร้างที่จะก่อสร้างประมาณ1้านนล้านเจแสนนะรงอาหารอีกประมาณ1ล้านนะรวมแล้วอยากจะได้สองล้าน เจ็แดแสนวากันนะพวกเราจะหาได้ไหมวันนี้ฮะพวกเราจะหาได้ไหมสองล้านเจ็ดแสนวันนี้นะเดี๋ยวนี้ได้แล้วสองล้านสามแสนสามมื่นเจ็ดันหนึ่งร้ยแปดิบี่บาทยังขาดเท่าไหร่ลูกหลานวะขาดสี่แสนเหรอเอสี่แสนน่าจะลงได้นะเอาลงเอาลงอีกไหมขาดสี่แสนนะเอาลงพ่อหนึ่งแสนเอาเข้ามาอีกเอา เอาเองยังขาดสาบาทนี่ใครจะใจใหญ่เหมือนลุงพ่อเอกวะโอ้ใกล้เคียงใกล้เขียนใกล้เขียนเดี๋ยวนี้ได้แล้วขณะนี้นะสองล้านห้าแสสามห้าบาทแต่นี้ยังขาดอยู่หน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ เดีค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันจะหลังไหลมาเองอ เ, เอารับพรในที่นี้นะลูกหลานนะบ้านนี้นะพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรโ อ, โอ้ถวายกันเทศเหรอเอากันเทศไม่เป็นหลวงพอ่บอบ่อพ่อกองตัวนี้อีกหนึ่งมืนบาทนะถ้าต่อเ น, นี้อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในนะที่นี้นอะ